ตาณสาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้อยาขอพักเรื่องว่าต่อมาไว้ช่วขนาดหนึ่งไอ้คำว่าขนาดหนึ่งก็คือวันนี้นะะเอากันวันวันนี้เรื่องของส่วนตัวเลิกไปแต่ก็มาคุยถึงเพื่อนที่ตายแลว้วก็ฟื้นคําว่าเพื่อนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสมบทเป็นเพื่อนกันนะ หมายความว่าท่านตายแล้วท่านก็ฟื้นขึ้นมาจะได้สองคนแล้วไม่ได้ก็ไมทราบขอเล่าเรื่องท่านย่อๆว่าท่านหนึ่งเสี้ยนได้ตายไปแล้วอีท่านหนึ่งนี่คงยังอยู่นะท่านพลตรีสมานมะวีรัติยะแต่ว่าบาังเอิญท่านเลื่อนยศไปแล้วก็ขออภัยด้วยรู้จักกันตอนตอนตอนนั้นเว่อเคยอ่านในหนังสือบางกอกไทยท่านบอกว่า ท่านสมานวีรบุรยะท่านพลทรีสมานี่สมัยนั้นท่านเป็นร้อยโทแล้วก็ท่านไปรบใสมัยเอเชียบบราไปเคียงตุงไปตอนรบไม่ตายดันไปตายที่ตอนเป็นไครพอตายแล้วเขาก็กลับไปเก็บเพื่อห้องโพุสัตว์ไห้องอะไรก็ห้องโพุตว์นะ ภาษาไลในห้องโปรดห้องเก็บศพแล้วตามความรู้สึกตามที่เ่าไล่ฟังในหนังสือนั้นว่าเวลาท่านตายท่านออกมาจากร่างก็เหมือนเหมองที่อาตมาออกแต่ว่าท่านจะแต่งตัวเชยงวับาเราเราไม่มาได้ถามเจอท่านก็มาได้ถามออกมาแล้วท่านก็ไปหาผู้บังคับบัญชาไปหาเพื่อนแบบเดียวกัน แล้วก็ไม่มีใครก็พูดโดยท่านกเลยตัดสินใจว่าไม่มีใครพูดโดยกว่ช่างแล้วไปหาเมียที่ของเทพดีวกว่าท่าก็ตั้งใจเดินทางมาไม่ทันจะถึงครึ่งทางกันมัก็ปลายกดว่าก็เดินคล้อยมานิดหนึ่งจุดหนึ่งมีเสียงคนเรียกว่าลูกสมานไปไหนลูกมาหาพ่อก่อน ท่านเหลียวหลังไปดูปลากฏว่าเจินายทหารคนคนหนึ่งแต่งตัวม่านายทหารสมัยโบราณอมาหาพ่อนี่มะพ่อมาคอยลูกอยู่นานแล้วเนี่ยว่ากันตามหนังสือนะแล้วก็ท่านก็ตามไปเป็นว่าเวลาตามไปท่านผู้นั้นนําไปสนักของพญายมแต่ก็บอกว่าตามหนังสือเขียนบกว่ามีคนคอยการพิพาทสายอยู่เยอะ แล้วเห็นเพื่อนคนหนึ่งเป็ น, นรายทหารด้วยกันเป็นร้อยโทกำลังรอการสอบสวนอยู่สำนักนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคนที่มาที่นี่มันหมายความลงนรกทุกคนถ้าตอบความดีได้ในไปสวรรค์มันก็กลายเป็นการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ตอบมาท่านบูญนั้นก็นำเขาไปหาพยาลมพยาลมก็ตามที่เราเล่เาสู่กันฟังนั่นแหละไม่ต้องพูดกันมาก เวลามันน้อยไปถึงท่านท่งนก็บอกว่าที่ให้มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเอามาเก็บไปเลยจะให้รู้แล้วว่าสภาพของความตายทิ่แล้วมันไม่มันไม่สูญถ้าทําความดีก็ไปรับผลของความดีถ้าทําความชั่วก็ไปรับผลของความชัว่วแล้วท่านก็สั่งคนให้พาไปในสถานที่ต่างๆ ที่เขาสร้างความชั่วมารับทุกขทรมานแบบไหนแล้วก็พาไปดูเทวดาที่มีความสุขตอนนี้รู้สึกว่าท่านบอกว่าชื่นใจมากแล้วต่อมาภายหลังเมื่อเวลาพอสมควรท่านก็ให้กลับเพรากลับปืน้นคืนขึ้นมาแล้วในโอกาสต่อมาภายหลังท่านก็มีโอกาสติดต่อกับสนักขุนยายมตลอดเวลา ท่านไปได้เป็นปกติไออารมณ์แบบนี้ระรดาญาติยาโยมพุทธบริษัทมันแปลกว่าคนที่ตายแล้วกลับมาฟื้นเนี่ยมันกลับไปติดต่อที่เดิมได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเ้่าที่เห็นความเห็นอัตธมานะว่าพราะกำลังใจเขาไม่งคงเขาแน่ใจเขาคือตัวสมาธินี่เองตัวสมาธินอะไรกับตัวของตัวบม่นคงคือตัวแน่ใจ แล้วต่อมาท่านพลตรีสมานมีระวัทิยะท่านก็ไปขอวิชาต่ออายุมาจากสนักขมบยายมแต่ก่อนที่จะต่ออายุท่านต้องไปถามก่อนแล้วถามว่าการจะต่อยุคนนี้จะต่อได้ไหมเพราะว่าทานสนักเลาบอกว่าต่อได้แต่ต้องใช้อะไรบ้างจะต่อได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีท่านบอกมาเสร็จแล้วก็เป็นการต่อคนที่ใกล้จะตายหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ ถ้าถึงเวลานั้นก็ต้องตายแล้วต่อมาท่านก็ศึกษาวิชาอันหนึ่งคือเรียกวิญญาณคือคนที่ตายไปแล้วให้มาเข้าคนใดคนหนึ่งได้แต่การเรียกมาเข้าก็ไม่จํากัดคนให้คนนั่งอยู่แล้วก็นึกถึงคนตายท่านใช้คาถาภาวนาครู่หนึ่งวิญญาณของคนที่ตายไปนั้นอาจจะมาเข้าคนใดคนหนึ่งในจำนวนหลายหลคนที่นึกคิดคนตายนั้นจะเป็นคนใดก็ได้ แล้วเมื่อมาแล้วก็พูดตรงกับตามความเป็นจริงทุกอย่างแล้วต่อมาท่านพลตรีสมันวีระวัธยะท่านก็เป็นนักเจริญสมถภาวนาที่เชื่ออัตมาเชื่อนะเชื่อว่าพบท่านอ่ะท่านพูดจะมาตรงความจริงทุกอย่างอัตมาขอยืนยันว่าถ้าว่ามัเอินมันจะพลาดไปจะหาว่าเป็นคนบ้าก็ต้องบ้าเสมอกัน เม่คนที่ตายไปแล้วกลับมาพูดเรื่องตายนี่โดยมากเขาจะหาว่าบา้าเวลาคุยกับท่านเองก็ชี้หน้าไปตามพวกเพื่อนในพนต่างๆครับว่าไอ้บา้าพวกนี้นะครับมันหาว่าผมบา้าเวลาปกติมันก็ว่าไอ้มันบา้าไอ้มันบา้าแต่เวลามันต้องการจะรู้อะไรจะมามันก็เรียกอาจารย์หมันใช่ท่านไปติดต่อท่านไปถาม พอท่านคืยกันมาถึงข้อความเป็นจริงที่อาตมาผ่านมาอาตมาก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้พบมาแล้วขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงท่านก็มีกําลังใจเป็นน้ำว่าเรื่องของท่านพลตรีสมานมีระใัทยะอาตมายังไม่เคยได้ยินข่าวว่าท่านตายคงจะเวลานี้คงจะมีชีวิตอยู่ ฉะ น, นั้นหากว่าบรรดาญาติโยมพู้ตบริษัทธ์หรือบรรดาพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายไม่จะลืมจะเปเลนลอองค์อื่นเขาแล้วนะถ้ามีความสงสัยแด้ก็ไปถามท่านได้ในชีวิตของท่านยังอยู่แต่เรื่องอรายละเรอียดต่างๆจะไม่เล่าให้ฟังเพราะชีวิตท่านมีท่านมีความรู้จนกทั่งบรรดาระยะเวลาเดินทางนั้ต้องการให้เร็วกว่าปกติก็ได้เมื่อสมัยหนึ่งท่านเดินทางไปปากใต้ ไปเครื่องบินให้ลมมันก็แรงแตามหมายกำหนดการว่าเครื่องบินจะถึงไม่ทันเวลาถ้ามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปด้วยก็บอกว่าเ อ, อ้าคุณสมานช่วยย่นน้นทางทำให้เร็วขึ้นหน่อยท่านก็นั่งภาวนาวันนี้สุดเครื่องบินไปถึงก่อนหน้าเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงจะไม่ได้เพราะนั้นว่าผู้ที่เขามาทำการต้อนรับผู้ใหญ่ยังไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่มา แปลสนามบินนั่นก็กลายเป็นหลงแหลงหลงแหลงมีเจ้าหน้าที่สองสามคนประจําสถานบินสนามบินนี่เป็นอนุว่าความรู้ทั้งหลายลเหล่านี้เป็นหนึ่งในล้านที่ท่านได้มาจากความตายฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายที่มีความสงสัยเรืองธรรมาพูดไปถามท่านสมานวีระวัตยะ คือว่าตอนนั้นท่านเป็นพลตรีนะมันนานแล้วนะตั้งปศตั้พันห้าสิบสองเียสิบสามแล้วพบท่านเวลานี้มันปามาเป็นมันตั้งสิบปีนะท่านเป็นพลโทรเองแล้วยังก็ไม่ทราบท่านอยู่ในกรุงเทพคนที่เป็นในพลหาไม่อยากถ้าหากว่าหาที่ไหนไม่ได้ถามไปที่กองทัพ บ, บก เขาแยกแจ้งใดว่าท่านพลตรีสมานวีระวัฒยะเมื่อปีพศ .2572 นีะท่านเป็นพลตรีท่านเป็นก่อนนั้นนะมแล้วเวลานี้ถ้ามียศเป็นเช่นไหนของทัพบกเขาบอกได้ไปถามท่านได้นี่จุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มาเครื่องเอย็นยันก็คือคุณครูบุญโชวเป็นที่นา่าสิได้ทราบว่าตายสมื่อปีที่แล้วคือพศ .2521 ไม่ทราบ เพิ่งจะตายในเรื่องราวของท่านดีมีหลายคนท่านผู้นี้เป็นครูมีบุตรสองคนแต่ลืมถามลูกผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ทราบแต่ว่ามีสามีเป็นเกษตรก ร, เ, กรเป็นชาวนาวันหนึ่งเวลาเย็นท่านสามีไปช่วยเพื่อนบ้านนวดข้าวคุณครูบุญชูนี่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกสองคน เอาข้าวให้ลูกรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูวันชูก็รู้สึกว่าปวดศี่สะไอปวดที่สะนี่ก็ปวดที่สะแบบธรรมดาธรรมดานี่ไม่ใช่มันเป็นพิเศษแบบไอเสน้นเลือดฝอยแตกต่้งก็เอาอยาทันใจหนึ่งห่อมารับทานพอรับทานแล้วก็ลงนอนพอนอนลงไปก็ปรากฏว่าเห็นอาบุรุษผู้ทรงเกียรติ เพื่อว่าท่านกองเกจิยศพิเศษของพระยา ย, ยมสี่คนนุ่งแดงใส่แดงสี่คนมายืนอยู่ทางด้านทิศหนึ่งปลายเท้าหนึ่งสองข้างอีกข้างละหนึ่งพ อ, อท่านเห็นแล้วก็ตีเสียงคนที่ยืนด้านทิศและปลายเท้าก็ไม่ทราบบอกคุณชูไปเถอะอท่านผู้ใหญ่ให้มารับ คุณบุญชูคุณครูบุญชูก็บอกว่าไปยังไงแล้วท่านาสามีฉันก็ไม่อยู่ลูกก็ยังเล็กรอสามีมาก่อนได้ไหมถ้าบุนไอก็บอกว่าไม่ได้คำสั่งของท่านผู้ใหญ่ต้องเป็นคาสั่งคุณครูบุญชูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าไม่ได้เราขอเวลานิดหนึ่งขอให้ทำพินัยกรรมสัก่อน ท่านบนนั่นก็อนุญาตคุณครูบุญชูก็ลุกมาหยิบกันดาษทำไมเขียนว่าเงินพอชอคอช่วยชอพอคออะไรไม่ทราบช่วยเป็นครูที่จะพึงได้นั้นข้าพเจ้าขอมอบให้เป็นพินัยกรรมให้แก่นายนั่นสามีอาตมาจำชื่อไม่ได้เรื่องมันนานมาแล้วขอให้เป็นผู้รับแทนก็ะส็นชื่อนางบญชู เริ่มนันเธอคีอีกมันนานมาแล้วแล้วก็เธอก็นอนลงไปมัอนอนลงไปก็ปลกฏว่าเขาชนออกไปเธอเธอก็เดินตามเข้าไปไอตอนเดินตามไปเนี่ยร่างกายมันไม่ได้เดินไปด้วยทางเรื่องของท่านพลตรีสมานวีระวัฒยะก็ชินเดียวกันร่างกายมันตายแล้วสำหรับของ ค, ครูบรรจุร่างกายมันก็เลิกหายใจ มัก็แต่ว่าไอ้ความรู้สึกจริงๆก็เหมือนกับตัวเดินตามเข้าไปตอนนี้บรรดาท่านที่เจริญพระกรรมฐานในสังโยติพระพุทธเจ้ากล่าวาว่าข้อแรกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจำเรื่องนี้ไว้ด้วยนะจำไว้ได้วยว่าเวลาที่เราตายจริงๆมันได้รับมันตายแต่ร่างกายแต่เราไม่ตาย คำว่าเราก็คืออทิสมาในกายที่สิ่งในร่างเนี่ยเขาเล่าเรื่องของท่านต่อไปพอเดินไปได้ครู่หนึ่งในตาบลเดียวกันบ้านนั่นเขาก็ทำรั้วสีฟ้าบ้านสวยปลากรวตั้งเครื่องเสงเวยมีหมูมีเหล้ายาปลาปิ้งมีมู้หติกาก เ, เยอะแยะสี่คนา ก, ก็ล้อมวงเอาเหล้าแบ่งกินคนนิดนิดก็ดดกินกันตามสบาย แล้วก็เชธอให้คุณบรรโฉกินด้วยคุณครูบรรโฉคุณครูบรรโฉบอกว่าไม่กินละไม่หิวแล้วก็เลยท่านะไรถามก็ว่านี่เขาทําอะไรกันท่านสี่คนก็ตอบว่าในในหนึ่งในสี่นะบ้านนี้เขาเจ็บหนักเขาตั้งเครื่องสังเวยเพื่อขอต่อายุและคุณครูก็ถามว่าต่อได้ไหม เขาก็เลยบอกว่าต่อไม่ได้หรอกเพราะว่ามันถึงเวลาอีสองสางวันจะมารับตอนนยืนถามว่านั่นกินเขาทําไมเขกเอาก็เขาให้ฉันกินฉันก็กินไอ้จะทําได้แล้วไม่ได้เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้เขาเลี้ยงฉันก็กินไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอาละสิหลังจากนั้นมาท่านสี่คนก็พาคุณครูบนโชูไปสํานักของพยายมดินแดนนี้ก็ไม่ขอเล่าละเอียด ขอนนำเข้าไปสู่สำนักพระยายมเห็นท่านนั่งอยู่บนแท่นสูงข้างหน้าทางด้านซ้ายมีหนึ่งโตะ๊ะด้านขวาก็มีหนึ่งโตะ๊ะด้านขวาท่านแต่งตัวสีเหลืองเป็นนายบัญชีแล้วก็มีสตรีคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเด็กนักเรีย น, นทึ่เป็นลูกศิษย์จึงคงโกรว์โชนเมื่อเข้าไปถึงแล้วทั้งกันเงยหน้ากันดูดูท่านพระยายม เห็นท่านพยายมเหมือนกับใครคนหนึ่งอตมาก็จําชื่อไม่ได้อยู่ใกล้บ้านคุณครูบัญโชคุณครูบุญโชว์ว่าตกใจเอ้ยลุงนี่มาอย่างไงจึงเรียกชื่อนั้นพยายมบอกนี่นี่นนเองจะยุ่งเองจะยุ่งข้าไม่ใช่เจ้านั้นนะนนี่ข้าคือพยายมแต่ว่าท่านก็แสดงการใจดีให้ปรากฏไม่ดุไม่ร้ายในเมื่อคุณครูบุญโชว ไปที่นั่นท่านก็นท่านก็นถามว่าอันดับแรกนะว่าเองเนี่ยทําไมถึงดื้อดันนักเขาให้มาก็ไม่ค่อยมาเาอาวิ่งเวลาอยู่นั่นแหละคุณครูบันุญชูก็แปลกใจว่าไอ้ท่านสี่คนที่ไปรับเรามาตอนนี้ท่านก็ไม่ได้เข้ามาเมาจ้าหน้าที่อื่นก็พาเข้ามาท่านอยู่ข้างนอกแล้วว่าทางนี้รู้ได้ยังไงเมื่อสงสัยท่านั้นท่านก็นตอบว่าเองไม่ต้อง สงสัยหรอกทีร่รู้ไอ้เรื่องของคนแต่และคนเนี่ยจะมีความรู้สึกทางจิตยังไงทางนี้รู้ก็มีหูทิพตาทิพเขามีเครื่องทิพเป็นเครื่องรับฟังกันคุณครูจูก็บอกว่าอิฉันไม่ได้ทำานไม่ได้ดื้อด้านไหนเจ้าค่ะ <c oughs> ไอ้ที่ว่าต้องบวชิงเวลาก็เพราะว่าห่วงลูกและลูกยังเล็กอยู่ท่านเบญา ย, ายงก็ถามว่าเอ๊ะนี่มันยังไงกันนี่ ฉันให้ไปรับนางสาวบุญโชูจิตทองบ้านอยู่จังหวัดสิงห์บุรีจะต้องเป็นโรคไข้ทับลูดูตายเวลา1ีหนึ่งคึงของคืนนี้ก็นางสาวบุญโชูนี่มันทำไมมีลูกนางสาวมันมีลูกได้ยังไงในบัญชีก็เปิดดูว่าใช่แล้วครับว่าทุกคนที่จะให้ไปรับนี่เป็นนางสาวบุญโชู แล้วบ้านอยู่จังหวัดสิงห์บุรีแต่ว่านี่เป็นนางบนโชเป็นครูโรงเรียนแต่งงานและมีลูกสองคนอยู่จังหวัดทงัทงทองนี่ไม่นคนละเมืองแล้วคนไปเอานี่เขายังไงอ่ะ น, นี่เขาก็จำได้แต่บนโชอย่างเดียวก็นางสาวบนโชนะเวลานี้กาลังเป็นโรคไข้ทับระดูจะต้องตายคืนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งเขาบอกหมายเลขบ้านบอกตบลเสร็จนี่บัญชีเขาเรียบร้อยดีไหม เป็นนั้นว่าท่านบัญญายมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรแล้วลูกถ้ามันผิดตัวก็ไม่เป็นไรเป็นดูจุดที่มันเป็นความจริงที่แล้วก็บอกให้คนนำไปแล้วก็บอกให้นำไปแล้วกลับมาเร็วๆนะเพราะเดี๋ยวทางบ้านเขาเกิดเผาร่างกายขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งเขาก็พาไปชมในดินแดนที่เต็มไปได้วยความทุกข์ทรมาน ไปดูยมโลกยียานารกบ้างไปดูนรกขุมใหญ่บ้างไปดูแดนเปรตบ้างไปดูแดนุรกายบ้างแต่แดนที่มีกําลังใจจุดหนึ่งที่มีความสําคัญนั่นก็คือแดนสิมพีนรกให้สิมพี น, ร ก, พนรกนี่เป็นนรกต้นอยูก็ไปเจอคนคนหนึ่งมีบ้านอยู่จังหวัดอ่างทองเหมือนกันดันดูมันว่าจะอยู่ที่แสวงหา คนนี้คุณครูคุณชูจำได้รู้จักดีแกกาลังไตต้นยิ้วอยู่คนเดียวขึ้นขึ้ น, นลงลงไอ้ต้นยิ้วนี่หนามมันเป็นพิเศษข้างล่างมีสุนัขใหญ่ข้างบนมีนกใหญ่ด้านมีนาฬิบาลถือหอกใหญ่เวลาจะขึ้นเขาก็ส่งขึ้นให้ด้วยความเต็มใจด้วยความเมตตาปราณีนั่นก็คือเอาหอกแทงพักจับส่งขึ้นไป พวกนั้นเลือด ก, ก็ไหลโตมตายขึ้นไปไอ้หนามก็คมคกริบ้ํามันก็เป็นสปริงพอตายตายขึ้นไปไน้ําพุ่งปับ๊บทะลุ อ, อกจาก อ, อกทะลุหลังเลือดไหลโตมถ้าล่นลงมาหมาก็กัดกินเนื้อแล้วก็เนื้อก็เต็มขึ้นมาแล้วนายรีสเบายนก็ยับเอาหอกกระแทกผับก็ให้ส่งไปอีกแต่ขึ้นไปถึงยอดไม้นกก็จิกกินเนื้อล่นลงมาหมาก็กัด แต่ได้ว่าต้นนิ้วทุกต้นก็มีเพื่อนขึ้นแต่มียต้นเดียวที่ไม่มีเพื่อนคนครูบนชูจะนถามว่าตาคนนี้เคยรู้จักนะแล้วแกทาไมถึงได้มาขึ้นคนเดียวถามคนนี้ก็พาไปคนที่พาไปก็บอกว่ายัางรออีกคนหนึ่งเพราะฝ่ายหญิงยังไม่ ต, าย ย, ม า, ต า, ย า, ายยังไม่ถึงเวลาตายถ้าฝ่ายหญิงไม่ถึงเวลาตายในนี่ก็ต้องมาขึ้นเพียวไปก่อน ไม่ช้าฝ่ายหญิงถึงเวลาตายก็จะมาคุณครูบรรทูก็ทราบว่าคนนี้แกเป็นคนดีสงสัยทําไมต้องลงนรกในายท่านที่พาไปท่านก็บอกว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นนอนบ้านเพื่อนมันอันนี้คุณครูก็ก็รู้ปกติก็าเป็นนอนบ้านเพื่อนเสมอบ้านเพื่อนก็อยู่ไม่ไกลกันนักชอบพอก็มากรักใครก็มากเขาเป็นนอนคุยกันก็อยู่เป็นเพื่อน แล้วไอการเปน็นอนของแกเนะี่ยมันมีเรื่องรับลมคมในนั่นคือย่องไปเป็นชู้กับเมียเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้ในเมื่อเป็นชู้กับเมียเพื่อนในเวลานี้แกตายมาก่อนก็ามาตายติงยิวก่อนท่านพูดตามไปก็บอกว่าเวลาต่อไปแม่นางนั่นตายก็ามาตายติงยิวแบบนี้เหมือนกัน แล้วก็พาไปจุดหนึ่งไปพบคนคนหนึ่งคนนี้ก็รู้จักดีเหมือนกันตายตัวเงี้ยวเล่นแบบสนุกสนานโหรู้สึกว่ายันหนักกว่าเพื่อนตายขึ้นตาลงตายล ง, ตา ย, ลงตายขึ้นขึ้นไปข้างบนไอ็นกก็จิกลงมาข้างหลังหมาก็กัดถ้าหล่นลงมาลงม า, งม า, งมาใกล้เต็มทีนายรีบบัลกอแทงเลือดไหลโสมตายเป็นพิเศษเร็วกว่าเขายุ่งกว่าเขาทรมานมากกว่าเขา คุณครูบุญชูก็สงสัยจิงถามคนที่พาไปบอกโอ้ท่านปุนิย์ลำบากขออนุญาตคุยนิดได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ถามได้เมื่อบอกว่าถามได้เขาก็เรียกลงมาแกก็ลงมารู้สึกสบายไปนิดหนึ่งอถามมาลงุงลุงเป็นคนดีนี่ทำไมลงุงถึงได้ต้องตายขึ้นตายลงหนักกับเขาเน่ย เวลาแกรู้สึกว่าคนนี้จะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนที่คุณครูบนโชว์อยู่แกก็ยอมรับว่าหนูลุงนั้นมันเลวนะลุงนั้นมันเลวความจริงหน้าบ้านหน้าบ้านลุงทาสีสวยหมายควาเจริยาแก ท, ท่าท่าทางมันดีแต่ถ้าว่าเวลาที่ไอเบื้องหลังของแกมันเลว ทั้งนี้พ่อได้รู้ว่าแกเป็นเจ้าชู้ไม่รู้ว่าลูกเขาเมียใครฉันไม่รู้สบายใจให้ความจริงเรื่องนี้จะไปโทษผู้ชายฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะผู้หญิงก็มีโหัิตโทษใจแต่เขาโอเคด้วยนี่นี่พูดนี่ไม่จะเข้าขังตัวนะจะกวาดเหมือนกันที่คุยไปฟังนี่เรื่องนี้จะ ก, กวดหวดัดเราะมันใกล้ๆ ก, กัมาก่น อ, อนบทต่ตอนบทนี่จะหนีพ้นแล้วไม่พึ่งไม่สาบ ไอชานสมาบัติที่ก็บอกได้แต่เด็กๆมันเหลือแล้วไม่เหลือก็ไม่รู้มันอีตอนนั้นมันคงไม่เหลือไปเจ้าช่งเจ้าชู้นี่ไปจุกฆ่าคนนี่ชานเขาไปหมดแล้วเวลานี้เป็นพระก็ยังไม่รู้มันเป็นชงเป็นชานมีหรือเปล่าไม่ทราบยังไม่แน่ใจว่าตายจะพ้นนรกหราไม่พ้นนรกนี่ว่าท่านทั้งหลายที่เข้าใจอาตมาดีนะอย่าไปใจนักนะ อย่าคิดว่าดีมันเร็วมามากเพราะถามท่านลุงท่านลุงคนนั้นก็บอกว่าไอหนูลุงมันยำเจ้าชู้หนักมีเพื่อนเขาเตือนก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าถ้าเวลาข้าตายนะ่ะเองเอาฝันเขาบอกก็จะตกรบขึ้นตังยิ้วก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าเวลาข้าตายเองเอาฝันใส่ลงให้ด้วยนะ่ะข้าลงมาก่อนไม่ยกฟันตัวนิ้วให้จะในระนาดนนให้พังให้หมด แกเลยบอกว่าพระโทษที่คิดว่าจะฟันตนัวยิวเลยกลายเป็นโดนสองชั้นมีโทษปรับเป็นสองเท่าเสร็จไปเลยแกเลยสั่งมาว่าไปบอกพวกพวกว่าใครย่ายใครตัวอย่างเวลาเหลือน้อยก็นํากลับมาที่สนักของพญายมพขานากลับมาที่นี่ท่านพญายมก็โยนสมุดมาเล่มหนึ่ง คนครูบนชูวอ่านจำชื่อคนคนี้หกเจ็ดคนจำชื่อนำสกุณหมายเลขบ้านเสร็จมีกำหนดว่าคนนั้นเดือนนั้นสามเดือนข้างหน้าจะเป็นโรคแบบนั้นตายคนนั้นแถานั้นเดือนแถวตายคนนี้แถวนี้ปีจะตายพราะจำได้แล้วท่านอย่าพริกวนหน้าที่สองพญายามบอกชาชาชาชาช า, ชาอ่านเท่านั้นนะลูกอ่านเท่านั้นอย่ารู้มากไปกว่านั้นเลยลุงต้องการให้รู้เท่านั้น แต่ทั้งที่สั่งมาว่าบนโชว์เองนะ่ะมีอายุอีกห้าปีนะมันจะต้องตายกลับไปก็สร้างความดีให้มากถ้าว่าเองไม่ต้องกลายภายตายภายในห้าปีข้นหน้านี่ละก็เองจะลืมนะประครบอายุห้าปีปีนะั้นท่นรับตั้งปีนี้ไปห้าปีเองจงสร้างพระพุทธรูปห้านิ้วหนึ่งองค์ถอาไว้เป็นของสง อุที่ส่ว น, นหนึ่้แก่เจ้ากรรมในเวรแล้วก็บอกให้ลวงรู้ทราบด้วยเมื่อลุงทราบเองจะมีชีวิตต่อไปได้แต่ว่าจะต่อไปได้สักกี่ปีแล้วลุงจะบอกเป็นนั้นว่าขอเล่าลับว่าเป็นนั้นว่าคุณครูบุญโชนี่เมื่อกลับมาแล้วท่านสามีเป็นคนละเอียดเมื่อคุณครูเล่าฟังก็แกก็จบทุกอย่าง จดไว้แล้วก็ทุกคนกอันดับแรกสามเดือนต้นคนที่มีเชื่ออันดับแรกตายจริงๆตายได้โรคนั้นแล้วก็มีเวลาเดียวกันต่อมาคนที่รู้ตัวว่าจะตายก็มาถามคุณครูวันชูก็ทําบุญกันใหญ่ทําบุญยันความตายแล้วทาบุญว่าตายตจะได้มีกินเพราะว่าคุณชูบัญชูในเห็นทั้งสวรรค์เห็นทั้งนรก ก, ก็เลาถึงบุญกุสมนี่ทำมีผลเป็นยังไงบาปมีผลปเป็นยังไงเป็นเว่าสร้างศรัทธาแก่บุคคลนันหลายเป็นส่วนมากสำหรับคุณครูวันชวเองก็มีความไม่ประมาทในการประพฤติความดีสำหรับเรื่องคุณนางสาววัชูจิตทองก็ปรากฏกับคณะกรรมการจังหวัดเมาาื่อทราบเรื่องกล้ ค, คุณอะไรล่ะ คุณอะไรเทพพนครนนะลืมเชื่อเสีแล้วเป็นสันตะกรันอำเภอสมัยนั้นถ้าต่อมาเป็นสันตะกรจังหวัดเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนนึกไม่รู้มาเสพทราบว่ามีความจริงไหมมาตามตำบลที่อยู่ข้านางสาวบนโชจิตทองวันนี้สุดจะรับการยืนยันว่านางสาวบนโชจิตทองอยู่จังหวัดชุมพรีมีจริงตามหมายเลขบ้านที่บอกมาถูกต้อง และนางสาวรัญชูจิตทองก็ตายในโรคไข้ทับรดูตายเวลาตีหนึ่งครึ่งตรงตามเวลาที่คุณครูวัญชูทราบมานี่ด้วันดาญาโยามพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน้าเรื่องตายและกลับพลิง้งเืนเชียบนี้มีประโยชน์สำหรับคุณครูรัญชูก็มีโอกาสติดต่อเข้ากับสกับสนักพระยาโยามได้ตามปกติ ถ้ามีทางแก้ไขถ้ามีอะไรสงสัยสำนักนั้นจะบอกให้ทุกประการอาราบันดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลามันก็หมดเรียบให้กับตายเล่ามานี้ไม่ละเอียดเอาที่เข้าคร่าวจะได้ทราบว่าไอการตายแล้วเกิดนะั่นมันไม่จริงเวลานี้มีทั้งพระทั้งกระวัดฝืนกดขึนความคุนจริงคำสอนขององค์สมเด็จทรสัมมาสัมพุทธเจ้า บางทีก็เรียนทงสูงแต่ไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเลยเป็นอรชีในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทําลายพระศาสนามีอยู่แต่ว่าคนพระที่เชิดชูศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมครูก็มีมากฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเวลาจะไหวก็ดูซะก่อนนะว่าใครควรไหว้หรือไม่ควรไหวเป็นนว่าสําหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสักสวัสิิ์ที่พัฒนบุญคล สมบูรณ์ปุณผลจงมีเดบรรดาในพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี